เขาบอกว่าพุทธพจน์อีกศัพ์หนึ่งนะว่าอายตนะภายในทั้งหกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโลกนิยามรวมๆของนี้เรียกว่าสัตว์นะโวหารนะโวหารหรือบัญญัตอายตนะเหล่านี้ขึ้นรวมๆว่าเมื่อมีใจครองมีจิตครองเรียกว่าสัตว์เนี่ยนะโวหารอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้ทีนี้เมื่อโลกเกิดขึ้นอย่างนี้ โลกเกิดทนโลกก็มาเชยชิดกับอายตนะภายนอกอนาานอ ก, ก็คือมาเพลิดเพลินนิยามของอายตนะภายนอกเหมือนกับโจรเวลาเห็นลืมตาขึ้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยโจรกาลังกระต้นแล้วนะเคยนึกแบบนี้ไหมหรื อ, อ, เ, อ, อ, อเออเนี่ยโจรนะเนี่ย ก็ว่าลืมตามก็ามาแล้วตอนนี้พอจะาู้แล้วคุณาเงี้าไปได้ <c oughs> <c oughs> อ่าใหม่นะปกติเนี่ย สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเหมือนกับโจรนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะที่เหมือนกับโจรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นทั้งอิทธารมกับอนิธารมคือสภาพของรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะเนี่ยนะ <c oughs> บางอย่างก็น่าปรารถนาใช่ไหมบางอย่างก็ไม่น่าปรารถนาเมื่อมีตาตามารับกับสีที่น่าปรารถนา เมื่อได้รับรูปที่น่าปรารถนาเกิดขึ้นโลภะก็เกิดเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโทสะก็เกิดโทสะอันนี้เรียกภาษาธรรมะเรียกว่าอากุศลธรรม น, น, นะนะบางแห่งก็เพิ่มอีกศรรัพท์นึงว่าปาปะและว่าลามกเนี่ยนะอกุศลธรรมอลามกก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อตาอันนี้ที่ ได้รับภาพหรือรับสีแล้วอกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งปล้นเอากุศลไปหมดเลยปกตินะกุศลควรจะเกิดแต่พอรับอารมณ์เหล่านี้แล้วอกุศลมันเกิดจะไม่เรียกว่าโจรได้ยังไงเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งนะอย่างที่เราเจริญปัญญามานะใคร่ครวรอารมณ์ไปทั้งหมดสมถาวิปัสนาเนี่ยเจริญมากขึ้นภัยบูร์มากขึ้นพอไปรับอารมณ์บางอย่างขึ้นนะ่นะ อกุศลเหล่านี้เกิดเลยเพราะอากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นจะเรียกว่าไม่ถูกปล้นได้ยังไง น, นะถ้าถ้าพูดแบบทั้งโลกนะถูกปล้นนะอาจจะเหลือสักบาทสองบาทบ้างไนงะอ่า น, นะอาจจะเหลือติดไม้ติดมือแอบซ่อนไว้บ้าง น, นะเมื่อเพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยโยมคนหนึ่ง น, นะเขาเขาจะกลับบ้านก็เช่ารถไปไรถที่มาเช่าไปมันมา แกงให้ผิดเวลาแล้วมันก็เรีดออกไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะหมดตัวไปเป็นหมื่นก็บอกแต่ว่ายังพอเหลือมาบ้างอะนะยังพอเหลือมาอศาสตรจะกลับบ้านไม่ได้กลับเลยมาหมดไปแล้วหลายหมื่นทีนี้อันนั้นนั่นแบบแบบโจรข้างนอกนะมันยังพอเหลือเสื้อผ้าหรืออะไรติดตัวมาบ้างว่างั้นเถอะแต่ถ้าอากุศลอันนี้นะที่เป็นโจรแบบนี้นะไม่เหลือกุศลเจตสิกแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะถูกปล้นทีนี้หมดตัวเลยเนี่ยนะนะ เพราะอะไรเพราะว่าอากุศลกับกุศลไม่เกิดพร้อมกันเมื่อไม่เกิดพร้อมกันก น, นี่เวลากิเลสมันเกิดนะกุศลไม่รู้มันหายหน้าหายตาไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่เหลือก้นถุงอะไรสักหน่อยเลยนะไล่แต่บาปเหลือแต่บาปล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่ภายนอกนี่ไม่ต่างอะไรจากหนักจนสมมุติว่าไปเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะจิตอันนี้โทสะเกิดขึ้นเหมือนไฟลุกท่วมตอนนั้นเนี่ยเผาศีลเกลี้ยงเลยเดี๋ยนะ เผาศีลเผาสมถะเผาวิปัสนาเผากุศลหมดไม่มีเหลืออย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งภายนอกเหล่านี้เหมือนกับโจรมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้น ะ, ะเพราะจงเห็นโลกเหล่านี้เป็นของว่างเป็นของศูนย์ๆๆเนี่ยนะแล้วก็ถอนอะไรถอนสกายะหรือถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเนี่ยนะถอนอัตตานุทิฏฐิคือไม่เห็นว่า เป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะจนกว่าจะถอนว่าไม่มีอัตตาอยู่ในในนี่เลยเบางพวกจะเข้าใจลักษณะนี้ว่าจากขุตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นอัตตาหรือว่าเป็นเราหรือเป็นของเราบางพวกถือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเป็นเราหรือเป็นของเรา แต่มีอีกพวกหนึ่งคิดว่าไอ้ความคิดอันนั้นเป็นเราใช่ไหมอาศัยตากับอาศัยรูปเนี่ยพอเกิดความคิดขึ้นบางพวกก็ถือว่าไอ้ความคิดอันนี้เป็นเป็นเราแล้วก็เป็นของเราอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่า น, นัพระนนทไปถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรน้อแลพระเจ้าค่ะโลกจึงชื่อว่าศูนย์หรือว่าศูนศ น, นเนี่ยนะ ผมก็บอกว่าจักระศูนเนี่ยศูนย์ศูนจากอัตราศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตรารูปศูนย์จากอัตราศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราโซตะาศูนย์จากอัตราศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราเสียงก็ศูนย์จากอัตราศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราเนี่ยนะจมูกลิ้นกายใจหรือกลิ่นรสโพธาภะธรรมรมก็ลักษณะเดียวกันว่าสิ่งเหล่านี้ศูนย์จากอัตราแล้วก็ศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตรานะ อันนี้ก็เป็นอนัตตสัญญาที่ควรเจริญเป็นอย่างมากเนี่ยนะที่เจริญแล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากอย่างลงสู่อมตะเป็นเป็นที่สุดเนี่ยนะอันก็พิจารณานี้ก็เป็นการพิจารณาทุกขอริยศาสตร์อีกอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะก็แต่ว่าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอัครั้งก่อนที่พิจารณาขันห้าโดยไม่เที่ยงกับอายตนะโดยเป็นอนัตตา จริงๆคือวัตถุดิบเดียวกันแต่วิธีการคิดที่อ น, นะใช้วิธีการที่แตกต่างกันอ น, นะแต่ว่าจุดประสงค์เหมือนกันคือละกิเลสเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้พิจารณาอย่างนี้ก็แล้วแล้วมันก็กิเลสก็ยังไม่ค่อยลดลงอะไรเลยอย่างนั้นเอถอะทีนี้ทำไงอะ นึกถึงตรงนี้นะที่เห็นไอ้ที่เรียกว่าพราะองค์มีกรุณาจริงๆอ่ะนะก็โหศาสตร์สอนไปตั้งมากก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเลยนะพระองค์ก็ไม่เลิกนะกยังบอกต่อไปอีกบอก่อะนะเธอไปขี้เรื่องเนี่ยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแบบนั้นเนอะผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองนีะนะ แล้วก็น้ำดีเป็นต้นที่เป็นาธาตุน้ำมันนะก็ไปพิจารณาว่าปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยปริเชถ้านนึกอะไรไม่ออกจริงก็โดยสันฐานด้วยนะสันฐานรูปร่างหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยของสิ่งนั้นเออผมนี่ก็งามดีนะแต่ว่าเอ๊ะมันงอกมาจากไหนล่ะอ่านะก็เหมือนกับดูมันนะเคยเห็นดอกผักบุ้งที่มันงามใน ข้างคลองที่เขาทิ้งน้ําเสียไมไ่เงนะถ้าผักบุ้งมันดูข้างบนเนี่ยงามมากเลยนะโอ้ดูสวยแต่ถ้าห้ามแหวกลงไปในนั้นนะแหวกแล้วเกล็ดไม่ค่อยดีมันจะออกเนี่ยนะเสียหายเลยชั้นใดก็ดีผมเนี่ยถ้านดูว่าเอองามแต่ถ้าแหวกลงไปลึกอีกถึงที่อยู่อาศายอัยก็ชักมาได้เรื่องละขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอในกระดูกทั้งหลาย ก, ก็เหมือนกันเนี่ยนะตัวมันเองอาจจะดูยังไม่ปฏิกูลแต่ถ้าไปพิจารณาถึงที่อาศัยของมันแล้วจะเห็นถึงความ เป็นของปฏิกูลน่ยเช่นฟันเนี่ยเออฟันนี้ก็ดูสวยนะแต่ก็ถ้าลงไปถึงรากฟันโคนฟันหรือเลยไปถึงเหงือกถึงกระดูกที่รองรับอีกแลนะโอ้ตายหมดเลยคนนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่เจรณาอย่างนี้มากๆก็พอที่จะละราคาได้เนี่ยนะทั้งหมดเลยนะทุกอาการทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าพี่จาจรณาอย่างนี้ก็ยังละกิเลสไม่ได้เอาอยางนี้นะว่ากายนี้มันมีทุกข์มากมีโทษมา ก, ม, ม, ากมีโรคมาก โรคอะไรบ้างก็มาฟังมันสุกนะนะเพราะว่าได้ว่าได้ตั้งหลายโรคแล้วนีนะว่าโรคอะไรโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากเนี่ยนะโรคฟันเชิญหมอฟันมาว่าทักวันมีโรคอะไรบ้างนะนะถอนไปกี่ซี่แล้วเนี่ยนะแล้วก็โรคกายเนี่ยนะเมื่อคืนก็โรคกายว่าได้ไปตั้งหลายอย่างโรคตับบ้างโรคไตบ้างเนี่ยนะบางก็มันมีทุกมีโทษโรคระนั้นอยู่ในนั้นนั่นแหละเนี่ยนะแต่ถ้าแบบหนังสือที่คุณหมอให้ไปนะวันก่อน ก็คลิกๆดู oon, แต่เจอสับหนึ่งว่าไอ้โรคนิ้วที่อยู่ในถุงน้ําดีก็บอกว่าถ้ามันปวดมามันก็บอกมันเป็นระเบิดเวลาเขาว่าไงมันระเบิดขึ้นมาแล้วมันปวดมากเขาว่าไเพราะฉะนั้นก็เออได้รู้กับไอ้ระเบิดอีกอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับนี้ก็เลยทําให้นึกถึงเออในร่างกายของเรานะเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็ระเบิดเหมือนกันแต่ระเบิดในน้อยเรียกว่าแก๊บอย่างเงี้ยนะแก๊บมันแตกเลยครับก็เลยปวดเหมือนกันเช่นกันเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคเนี่ยนะ ทีนี้ผู้ที่พิจารณาทั้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นอนัตตาโดยอสศภะและโดยโทษเนี่ยนะสามคำนั้นก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีอัศภะอาทินวะอันนี้คือทุกขลักษณะ เนี่ยนะอันนี้ก็อนนี้อันนี้จารักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยนะก็คือเข้าไปพิจารณานะขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองทีนี้ถ้าพิจารณาไปแล้วอ่ะนะก็ยังละกิเลสไม่ได้ทําไงล่ะคะนี้มูทะละได้ไง่ายๆนะ มาละไปนานละมันละไม่ค่อยง่ายเลยเนี่ยนะทีนีเ้เมื่อกล่าววัตถุที่ที่จำแนกไปทั้งหมดรวมๆแล้วก็คืออะไรร่างกายเนี่ยนะคำว่ากายเนี่ยรวมทั้งกายภายในกายภายนอกเป็นต้นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งก็ใช้คำว่าถ้าแยกหน่อยก็เป็น มหาภูตรูปอ น, นสี่ประกอบด้วยปัทวีอาปโปเตโชแลวก็วาโยเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรวัตถุกรรมเนี่ยนะเป็นวัตถุที่น่าปรารถนาน่าคร่ายน่าน่าพอใจเนี่ยนะชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดทีนี้เมื่อวัตถุเหล่านี้เป็นที่น่าปรารถนาน่าพอใจอะ่ะสิ่งที่เกิดติดตามมา ก็คือเป็นที่ครุ่นคิดของคนเป็นอันมากว่างั้นผมใช้คําว่าเธอจงมาดูกายอันอาดูเนี่ยนะที่คนส่วนมากครุ่นคิดถึงอยู่ก็มีคําถามอ้าวแล้วตายแล้วใครจะไปคิดบอกหนอนมันคิดแทนว่างั้นเหนไก็ยังมีสัตว์คิดอยู่อีกนะขอให้มันแม้กระทั่งตายไปแล้วก็ยังมีสิ่งที่คิดถึงอีกนะมีนอนมาคิดถึงมีอะไรมาคิดถึงเพราะฉะนั้นเป็นที่ดําริของชนเป็นอันมากรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นด้วยนะ ทีนี้เมื่อไอความครุ่นคิดถึงกายเหล่านั้นอ่ะด้วยอะไรบ้างด้วยกามวิตกนะกามวิตกเท่ากับความตรึกที่เกิดร่วมกับโลภะบ้างพยาบาทวิตกวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะบ้างแล้วก็วิหิงสาวิตกวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะอีกนั่นแหละ นนะและอากุศลธรรมนนะแต่ว่ายกหัวหน้ายกประธานขึ้นมาเป็นหลักๆสัก3ตัวนะอากุศลที่เหลือใช้คำว่าอากุศลธรรมอันเป็นบาปทีนี้ถ้าจะเจริญปหาหนะสัญญาต่อไปคือเมื่อวินิจฉัยคร้ครวญตัวที่เป็นทุกขสัต์ รอบครอบอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาสมุทัยศาสตร์บ้างานะย้อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะศาสนาของเราเนี่ยคือ5าคำด้วยกันนะหนึ่งถ้าเป็นอริยศัสตร์นะสี่คำปรินเยยธรรมอย่างหนึ่งสองปหาตปธรรมคือธรรมที่ควรละอย่างหนึ่งสสัจชิกาตปธรรมด้วยข้อปฏิบัติคือ ภาเวตาปะธรรมเนี่ยนะหลักการของของคำสอนเรามีอยู่สี่อย่างสี่กลุ่มเนี่ยใหญ่ๆเนนะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากายหรือวัตถุกรรมเหล่านี้เนี่ยนะโดยปริญญาเนี่ยถ้าคนที่เจริญได้ขนาดนี้นะถือว่ามีความรอบครอบในเรื่องเรื่อ ง, รอ ง, รองปริญ ญ, ญาธรรมหรืออุปาทานขันห้าเนี่ยดีละแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่พอที่จะมากำจัดฉันทราคะ อนะคือคือเท่าที่กล่าวไปอ่ะนะแต่บางท่านอาจจะละได้ทีนี้เมื่ อ, อยางอย่างนี้ที่ละไม่ได้ก็มาพิจารณาอากุศลวิตตกเหล่านี้จะเรียกอีกศพทรหนึ่งว่านิวรก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะนิวร์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอนนะว่าเมื่ออากุศลวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าจะละมันได้ยังไงเนี่ยนะ ไอ้ร่างกายนี้ก็รู้และ ว, ว่ามันไม่งามอะแต่ถามมันก็ยังชอบอยู่ดีเหมือนกันเถอะทีนี้แล้วทํำยังไงคราเนี้ใครจะออกความเห็นบ้างกโ็โหนั่งไข้ครวนหมดทุกแง่ทุก ม, มุมอ่ะนะก็โลภก็ยังเกิดอยู่ดีก็ยังโกรธคนที่เราไม่ชอบอีกอยู่ดีเนี่ยนะทําไงลาวันทําไง ตอบตอบแบบผู้การเลยนะบอกขี้เกียจทําไงบอกทางให้ขยันสิอ <c oughs> บอกเอ้ถ้าไม่ชอบถ้าชอบทําไงก็อย่าไปชอบมันสินะ <c oughs> ง่ายดีนะตอบง่ายแต่ทาไม่ได้ <c oughs> ถ้าการมัวิตกเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวนะอะถ้ามันจะเกิดอะมันเกิดเพราะอะไร <c oughs> พระองค์ก็บอกบางทีนะบอกว่ามันเกิดจากวิตกนี่แหละเกิดจากความคุ่นคิดนะ ถ้าอย่างโลภะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่คิดถึงสิ่งนั้นนะกิเลสมันจะเกิดกับสิ่งนั้นไหมอันนะถ้าโลภะจะชอบอะไรนะถ้าไม่คิดถึงวัตถุอันนั้นเลยเนี่ยถามว่าโลภะมันจะได้ที่ชอบไหมมันก็ไม่ชอบเนี่ยนะนเพราะไอ้ความตรึกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งกามอย่างแท้จริงทีนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้ถึงตรึกให้เกิดกามะนะก็แยกกันว่าพยายามให้คิดตามแนวเนี้ยนะ พอมีวัตถุใดเกิดขึ้นหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นก็สายใจในเนี่ยสัญญาตามแนวสัญญาสี่ประการอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะคือเช่นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาความเป็นอสุภาพหรืออาทีนวะอันนะใส่ใจแบบนี้ไปบ่อยๆเวลามันเกิดก็สายใจทีแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะไม่ต้องคอยให้เกิดแล้วค่อยสายใจหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยทำหรอกเนี่ยนะ หรือแต่ถ้ามันเกิดแล้วก็รีบใส่ใจอันนี้ให้ให้ดีๆเนี่ยนะเนี่ยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงถ้าปล่อยให้มันเกิดและอะไรมันเกิดขึ้นต่อไปบ้างเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ให้กามาฉันทะเกิดขึ้นและอะไรจะเกิดขึ้นน่นก็พี่ารนาถึงโทษที่เกิดขึ้นเพราะกรารมฉันทะเนี่ยนะหรือโทษของกามวิตก อากุสนที่ตกสามประการเนี่ยนะทางธรรมะใช้คาว่ามหาวัชชะวัชชะนี่แปลว่าโทษมหานี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าใหญ่มหาวัชชะแปลว่ามันมีโทษมากานะมันหยาบรองลงมาจากปาณาติบาตเป็นต้นเท่านั้นเองหยาบจากรองจากอากุสนกรรมบทแต่ในบรรดาวิตก้าเนี่ย ไอ้วิตกเนี่มมย ม, ม, ม, มีโทษมากนีนะว่ามหามหาวัชะคือมีโทษมากเนี่ยนะที่ที่มีโทษรองลงมากว่านั้นก็เช่นตรึกถึงญาติบ้างคิดถึงเพื่อนบ้างคิดถึงชนบทบ้างคิดถึงเออโยมอุปถากเราเป็นยังไงนะสุขทุกข์หรือเปล่าอะไรเนี่ยนะพวกนั้นก็มีโทษแต่ว่ามันโทษไม่มากเท่าไอแบบประเภทอย่างนี้อย่างนี้โทษมากอันเตรียมหาวชะถามว่าโทษอันนี้คืออะไรก็ ทุ่นคิดในสิ่งใดก็ทาให้นาเกิดในสิ่งนั้นนะอ่านะอย่างใน อ, อัตกถาอังคุตระนิกายติกานิบาศเนี่ยพูดถึงโทษของตามมาวิตกเนี่ยนะให้เห็นชัดตัวอย่างหนึ่งว่านะว่าแต่ในคัมภีร์ท่านพูดถึงว่าโลภะเนี่ยเกิดโทษไม่มากแต่ละยากเนี่ยนะละยากและคลายช้าก็เล่าตัวอย่างให้ฟังว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งเนะนะี่ยนะมี มีครอบครัวหนึ่งในในสมัยพุทธกาลนะเรื่องนี้มีในสมัยพุทธกาลไอครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยพี่ชายน้องชายเนี่ยนะแล้วก็พี่ชายนี่มีพี่สะพ้ยายก็ขอภัมีมีมีัญญานะเนี่ยพี่สะ ก็ไอ้น้องชายนี่ก็เรียกพี่สะพยเนี่ยนะเรียกปัญญาพี่ชายว่าพี่สะพยทีนี้ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดะนะตอนหลังคู่นี้ก็เป็นทำมิจฉาจารมิจฉาเนี่ยโดยสับแปลว่าผิดอาจาระคือความประพฤตินะนะใช้ความประพฤติที่ผิดต่อกันก็คือแปลว่าสวมเขาให้พี่ชายเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อทั้งสองคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันมากขึ้นมากขึ้นอนะ่นะธัญญาก็แนะนําว่าแนะนําน้องชายบอกเธอฆ่าพี่ชายเธอซะอนะไอ้น้องชายเนี่ยมันโกรธพี่สะพยมากมาทําไมมาทําอย่างมันแนะนําม่งก็ด่าไปแต่ว่าหลังก็เกี่ยวข้องกันอีกก็ค่อยๆแนะนํอาอ่นะครั้งครั้งที่สองก็น้องชายก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องฆ่าพี่ชายอ่นะสองสามครั้งก็ไปสามครั้งก็ไปก็ แล้วก็พูดถึงโทษว่าเราเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะถ้าพี่ชายเธอรู้แต่ก็จะจารนัยไปตอนหลังน้องชายก็เห็นด้วยว่าควรฆ่าพี่ชายเนี่ยนะพอพอบอกว่าควรฆ่าพี่ชายเนี่ยนะตอนหลังก็แล้วจะฆ่าได้ยังไงล่ะตัญญาก็วางแผนให้เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะอตอนที่พี่ชายเธอกลับมาจากอาบน้ำานะเธอถืออิโต้เนะไปรอดักฆ่าน้ำโน้น ฉันจะเอามะขามป้อมจะบอกพี่ชายเธอให้ไปสระผมที่ท่า น, าน้าโน้นอ่ะเธอฟันเลยนะเหมือนกันพอพี่ชายกลับมาจากทํางานแม่บ้านเขาก็เอามะขามป้อมมาตำตำเนี่ยนะยาสระผมโบราณ น, นะก็เอาไปสระผมสระตรงโน้นนะกำลังก้มสระมันก็พอดีใช่ไหมน้องชายออกมาก็ก็ฟันคอพี่ชายเนี่ยขาด ทีนี้ไอพี่ชายเนี่ยไอระหว่างที่สระผมเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะนึกถึงแหมแม่บ้านเรานี่ดีเหลือเกินรักเรามากห่วงมากนี่ยังหายาสระผมให้อะไรให้นะก็เ น, นืกรักผูกพันอยู่ตลอดแต่ไม่รู้หรอกว่าเพชรจะคาดเนี่ยนะก็ไม่รู้ทีนี้ไม่รู้ไอสองคนเนี้ยมันก็เป็นแต่งงานกัน น, นะพอพี่ชายตายนะคู่นี้ก็แต่งงานกันไอพี่ชายตายก็มาเกิดเป็นอะไรรวบพระรว บ, รบก็เป็นงูอยู่ในบ้านนั่นแหละ ไอ้ผูกพันเนี่ยนะเกิดเป็นงูเขียวอยู่ในบ้านทีนี้งูเขียวเนี่ยด้วยเคยอยู่ร่วมกันในปางก่อนพอเห็นและงูเนี่ยมันรากแต่ผู้หญิงคนนี้มากอ่านะพอเห็นมันเลื้อยมาใกล้ใมันก็ตกใส่อ่านะตกใส่นี่จะทํำยังไงคอนนี่ก็ปัาบเข้าไปอ่านะตายอีกตายจากกันงูก็มาเกิดเป็นอ่านะจำไม่ผิดก็สุนัขอ่ะนะ เกิดเป็นลูกม้าอยู่ในบ้านนั้นแหละด้วยไอ้ความรักในพันยานั่นแหละไปไหนไม่ได้วนอยู่เท่านั้นทีนี้พันยา น, นี่ยไปไหนก็ลูกหมาตัวนี้มันจะตามไปหมดอ่ะเขาก็ฆ่ามันอีกเนี่ย น, นะมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะคล้ายๆกันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นโคลูกโคนนะอันนี้ไม่ทราบว่าเรื่องเดียวกันหรือป่าแต่ว่าจะคล้ายรูปแบบเดียวกันไปเกิดเป็นโคอยู่ในบ้านนั้นไอ้ผู้หญิงเนี่ยไปไหนลูกโคมันก็ตามไปอีก ว่าหญิงเนี่ยก็ฆ่าโอยอะนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสัตว์เนี่ยก็ไปเกิดเป็นลูกของคนนี้จริงๆเลยคันนี้ไอ้ด้วยฉันทราคะที่มีเนี่ยก็ไปเกิดในคันพอเกิดในคันต้องไม่ลืมว่าเจตนาที่นําเกิดนะเจตนากรรมที่มานําเกิดในคันเนี่เป็นอปปราปริยะดวงที่สองถึงดวงที่หในอดีตชาติแต่ปางไหนไม่รู้ มานำเกิดเป็นมนุษย์เกิดในครันของผู้หญิงคนนี้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ในครันพอคลอดมาจากครันเนี่ยพอมันลืมตานะพอรู้ภาษาว่าเป็นแม่เท่านั้นอนะ่ะรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะมันระลึกชาติได้หมดเลย น, นะบุญที่นำเกิดเนี่ยมีกําลังอันนี้มากทําให้ระลึกชาติได้หมดว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะเด็กคนนี้ระลึกได้หมดมันแม่มาจับปั้มจะร้องให้นะไม่ให้แม่จับต้องเลยก็ตาเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงตลอดเนี่ยนะตาก็เลี้ยงไปเลี้ยงไป พอเด็กเนี่ยมันโตพอพูดได้อ่ะก็ถามว่าทําไมไม่ให้แม่แม่จับแม่อุ้มก็บอกว่ามันไม่ใช่แม่มันเป็นศัตรูผมว่า ง, งั้นเนี่ยนะก็บอกเป็นศัตรูยังไงหลานก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะตากับหลานก็เลยกอดคอกันร้องไห้ก็เลยชวนกันไปบวชแล้วไม่ไหวแล้วสังสารวัตรนะชวนกันไปบวชแล้วทั้งคู่ก็บรรุเป็นผ้าละหันหมดนั้นทั้งตาทั้งหลานเนี่ยเป็นผ้าละหันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ฉันธราคาอันนี้เนี่ยนะถ้ายังตัดไม่ขาด นีนะมันก็จากประวัติศาสตร์มันก็จะอยู่ในรูปแบบอย่างนี้แหละเนี่ยนะไอ้ตอนที่ชอบพอกันอาจจะไม่นึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพอพอได้ปัจจัยเบนเบนเบนประเด็นเบนเบียงเข้าไปหน่อยนะบาปอย่างอื่นก็ติดตามมาเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นโทษของการมฉันทะที่ยังยังละไม่ได้ครั้นก็หมั่นพิจารณาถึงโทษของฉันทราคะที่มาผูกพันในกายอันนี้เข้าถ้าพิจารณาถึงโทษมากก็จะสามารถละ ฉันราคาในกายอันนี้ได้มากขึ้นเนี่ยนะนี่อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าจะละพยาบาทวิตตกเนี่ยจะละได้ยังไงเนี่ยนะก็พยาบาทวิตตกก็ให้รู้โทษอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่จะพิจารณาเพื่อจะละราคานะให้รู้ว่าราคานี้เป็นสมุดฐานทำให้เกิดความพยาบาทใช่หมว่าภัยเนี่ยย่อมเกิดจากกามเนี่ยนะ ความเศร้าโศกทั้งหลายก็เกิดจากจากกามถ้าไม่มีความเศร้าโศกไม่มีเออขอไปถ้าละกามเสียได้ความเศร้าโศกหรือภัยทั้งหลายก็จากจากหมดไปเนี่ยนะฉะนั้นพยาบาทเนี่ยถือว่าเกิดจากการมวัตถุใดที่เราโกรธขอให้รู้เธอว่าวัตถุนั้นมาเบนประเด็นกิเลสกรรมของเราเนะีเราจะไม่คอบไม่ชอบวัตถุอ น, นั้นวัตถุไหนก็ตามถ้ามา สำนวนไทยว่าถ้ามาขัดขวางความสุขของฉันฉันจะไม่ชอบหมดเลย น, น, นะเพราะไอ้กามนี่มันเกิดร่วมกับโลภะใช่หมมันถือว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามวัตถุดใดก็ตามถ้ามาขัดขวางไอ้กิเลสกรรมอันนี้โดยมากก็ก็โทสะหรือพยาบาทจะเกิดสมมติวเช่นเราชอบต้นไม้มากโหประครบประงมมาเป็นอย่างดี หมาอยู่ตัวหนึ่งมันไปวิ่งกัดกันนะ่ะต้นไม้หอกล้มระเนระนาดหมดเนะี่ยถามว่าเราจะชอบไอหมาตัวนั้นไหมก็ถือว่ามาขัดขวางวัตถุอันนั้นของเราเนี่ยนะนะหรือถ้าปลูกต้นไม้งามๆเนะี่ยมางลงทั้งคืนหมดเกลี้ยงเลยนะก็เราก็ถือว่ามาแรงอันนะั้นมันเป็นศัตรูของเราเนี่ยนะพยาบาทวิตกก็ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะฉนนั้นวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธวัตถุนั้นคือผู้ที่มาทําลายกิเลสกรรมของเรา หรือแม้กระทั่งผู้ที่เจริญกุศลกุศลละธรรมก็เรียกว่าวัตถุกรรมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันกุศลนะก็เป็นวัตถุกรรมถามทำไมอะ่ะใครก็ตามมาขัดขวางให้เราไม่ได้เจริญกุศลนะ เ, เราก็ไม่ชอบอีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราก็ผูกพันในกุศลอันนั้นแต่ว่าไอ้ผูกพันในกุศลแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี น, น, นะเช่นเสียใจที่ไม่ได้เจริญกุศลอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ว่า แต่ก็มีบางคนนะก็บอกว่าฉันไม่ยึดติดไม่ในกุศลเพราะฉัน้าไม่เจริญกุศลก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะกลอมกันนะ ก, ก, ก็ปลุกปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่จริงๆมันเสียหายถามว่าความเสียใจที่เกิดจากการไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยดีไหมอภินีท่านบอกว่าควรเจริญแบบนั้นให้มากๆนะคือถ้าเสียใจเพราะไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยอันนี้เป็นอ ะ, อะไรโทรมนัสเวทนาที่อาศัย เนคขมมะอันนั้นควรเจริญเนี่ยนะควรเจริญก็ดีกว่าไปเสียใจยเรื่องการอ่ะนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงโทษภัยของพยาบาทวิตกให้เห็นว่ามาจากอะไรการมวิตกทีนี้ถ้าพยาบาทวิตกมากๆอะไรเกิดมีหิงสาวิตกน ะ, ะเช่นถ้าเรานึกไม่ชอบหน้าใครบ่อยๆนะสิ่งที่ติดตามมาคือคิดทำลายคนนั้น สมมติถ้าเราชอบวัตถุหนึ่งอีกคนหนึ่งมาทำลายวัตถุอันนั้นเราก็ไม่ชอบพอไม่ชอบ ค, คิดจะทำลายวัตถุอันนั้นขึ้นไอความคิดที่มุ่งทำลายอ น, นันวัตถุคือคนนั้นอ่ะที่เราไม่ชอบอ่ะอะนั้นเป็นวิหิงสาวิตกเนี่ยนะอะกุศลวิตกเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นนะอะกุศลธรรมเป็นอเนกะ คือเป็นอันมากไม่ใช่หนึ่งบาปไม่รู้กี่สิบชนิดทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าความชั่วทางกายทางวาจาการวางแผนทางความคิดที่จะทำบาปทำอกุศลโดยประการต่างๆก็จะจกเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ถ้าผู้ที่พิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกเหล่านี้มากๆก็จะก่อให้เกิดออย่างนงี้แหละแค่ว่าการเจริญปานะสัญญาเนี่ยนะหรือพิจารณาถึงโทษภัยทั้งหลายของ บาปอากุศลหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะก็ไว้ถามเออนี่ถ้าอากุศลวิตกแบบนี้ถ้าเกิดแล้วถ้าจุติตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันก็สมควรแก่เวลานะหวังว่าทุกคนคงไม่ไปตรงนั้น